ก็ขอนอบน้อมแด่พระรันตนตไตยขอกราบนามัสการหลวงพ่อพระมหาดิเลศพุทธยานเทขอกราบนามัสการาครูบาอาจารย์ทุกรูปและคณะสงฆ์ที่นี่ค่ะหลวงพ่อให้พูดเรื่องยั ง, งเนาะคะนิดก็ขอกาวคำว่าสบายดีเนา ะ, ะสบายดีกัลยาณมิตรเราหายง่วงกันหรื อ, อยังจ๊ะ โอ้ยโชคดีจังเลยเห็นคุณพี่เมื่อวานนี้เยี่ยมมากเลยนั่งสับปะงกไปตั้งนานแต่ว่าแจ้งเนาะแจ้งสว่างเห็นเดินเห็นสู่ได้ฮะกลัวหินเหรอแต่ก็ยังดีนะโอกลัวหินอดีแล้วแหละอย่างน้อยวันที่เก้าเนาะเราผ่านง่วงได้มันก็ยังดีนะ แต่ปกตินี่โอ้โหบางคนที่เข้าคอร์สนี่เป็นสองอาทิตย์ยังไม่ผ่านง่วงเลยนะอันนี้โชคดีคุณพี่ก็อดทนแล้วก็ต่อสู้เยอะโอไม่ได้ไมันนี้ไม่ได้ดื่มกาแฟใช่ไหมเมื่อวานนี้แต่หายง่วงได้เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากทำไมรู้ไห ม, ไมถ้าเราไปเอากาแฟเอยเอาชาเอาทีอะไรมาช่วยนะของแคฟฟี่นี่นะมากระตุ้นมันมันจะมันจ ะ, ม, นจะมันจะผ่านได้ไอสิ่งเสพติด ทั้งนั้นใช่ไหมถ้าเราฝืนด้วยตนเองของเราเราจะชนะมันด้วยที่ไม่มีอะไรช่วยน u m b บ r ร์วันนี่น้องยังรักชมในใจเยแต่ขอโทษทีเมื่อวานนี้กับมือเรื่องนี้เนาะเมื่อวานเละเมื่อก่อนนี้เนี่ยพือภาษาไทยกาบขอขออภัยด้วยนะภาษาไทยอาจจะผิดเพี้ยนเพราะว่า ลาวอย่างจันจริงๆนี่ยหลวงพ่อขยันไปที่ไหนก็นให้พูดแต่ภาษาไทยก็เรียนไปเรียนมาก็ถูกบ้างผิดบ้างค่ะขอกราบอนุญาตด้วยเด้อเพราะว่ามันท่านว่าต้องใส่ภาษากลางเพราะว่ามันคนกลางเยอะท่านว่าเนี่มาที่นี่นี่ดีใจหลายเด้อเห็นคนลาวเขาไล่หลายแล้วส่วนใหญ่คนไทยก็ฟังภาษาไทยได้เออคนลาวแล้วก็ฟังภาษาไทยได้เก่ง น้องก็ดีใจแต่ยังไงก็โอ้ยภูมิใจน้ำอาจารย์ประสันมากที่สุดเลยท่านท่านบุกเบิกเรื่อง ว, วิปัสสนากรรมฐานจริงๆมาเห็นเห็นน้ำใจของท่านนะโอ้เยี่ยมมากมาพิกายนี้จะเดือนแอปโปรหรือยังไงนี่แหละมาหลวงพ่อที่มาเปิดคอร์ส ท, ที่ไมอามี่หลวงพ่อก็ว่าโอ้ยมันมีลูกศิษย์เก่าของหลวงพ่ออยู่ที่จอร์เจียเราก็เหนื่อยเหนื่อยเนะหลวงพ่อว่าไปนะ สี่สโมงเองว่างันนะท่านก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่สโมงแต่มีคนพามาโอ้โหโยมาเกือบ ส, <mieux. S 2> สิบกูสโมงอ่ะเออไม่อาเมีอนไม่ใช่สี่สโมงกันหลวงพ่อว่าก็เดินทางกันมาเจนนิริเออหนีคุณพี่เขาไปเลยเออมาถึงแล้วก็โอ้ยหลวงพ่อสี่สโมงเลยนี่นะมันเท่าไหร่นี่นะ <10 S 1> ได้นอน ข, ข้างคืนอีกนะได้นอน ข, ข้างคืนที่ไอแคมป้าเหรอ วัดมป่าหรืออะไรนี่แหละไม่รู้ว่าอะไรแหละก็ไม่รู้แต่เราก็โอ้โหโส ม, มากงานจบแล้วมาเถินก็ามาอีกวันใหม่เออม่อจะเถินละมอจะถึงกว ม, มาเดินทางมาท่านก็พูดแต่มาเห็นสถานที่โอ้โหขนาดตอนนั้นต้นไม้มยังไม่ได้มีเนาะยังไม่ได้มีใบเลยนะแต่มันสถานที่มันขึ้นใจมันหลักอะหลักเรื่องกรรมาฐานนี่ เพราะมันทุ่มเทชีวิตทั้ทงชีวิตนี้ให้พุทธศาสนาแล้วมาเห็นสถานที่อากาศวิเวกโอ้โหมันปลื้มปิติยินดีส่วนหลวงพ่อเลยหลวงพ่อถ้าสมมุติว่าท่านให้นะสู้เลยยมจะมาเป็นแม่ครวัวเองเลยนเะ <laughs> <laughs> พือ่อนอยู่ข้างสะกิดเลยอุ้ย <laughs> คอยมาํำเจาาเ้าบุได้เด้อค่ะคอย <laughs> แล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ท่านจัดเถอะ ดูลักษณะคือแม่แม่เซตชูเขาเอาใจใส่จริงๆนะสามโมงมาถึงที่นี่ห้าโมงละป้ามาถึงแล้วเด้อป้าเดอ้อมาหาหลวงพ่อเดอ้อสามโมงป้านึกว่าป้าพูดตลกสามโมงได้ไงห้าโมงเธอจะมาถึงที่นี่มันก็ต้องแปดเก้าสองสามทุ่มแล้วเนะาะก็จะมาถึงเข้ามาจริงๆอะ่ะมาโอ้ยซึ้งใจทันมาก มาเห็นแล้วก็โอ้เราพูดลิ้นไม่ได้แล้วนะี่ถ้าอาจารย์จับจริงๆเราก็ต้องเอาจริงๆแลลวนะี่ก็ตกลงไม่ถึงสามเสียทิศท่านคอนเฟิร์มกับหลวงพ่อไปว่าเดือนเดือนเมยี่คงไม่ได้แล้วหลวงพ่อคงเป็นเดือนจูนว่างั้นนะก็เลยโทรติดต่อไปมาเกิดขึ้นได้จริงๆโอ้โหประทับใจมากถึงเราจะเหนื่อยจะหนักทำงานหนักแต่ก็ภูมิใจได้ทำงานสิ่งที่มันเป็น มหากุศลมากที่สุดงานตรงนี้นะแม่สมพรเห็นแล้วเรื่องนี้ว่าทุกคนทําได้ถ้าเป็นคนจริงซักหน่อยหนึ่งเราต้องพยายามเพราะว่าเห็นคุณค่าของตัวสติตัวนี้จริงๆเพราะเราจะได้เห็นไหมเห็นสติของเราเองนะเวลาเรามาอยู่อย่างนี้อย่างได้นอ้อยเราก็เห็นแล้วที่เราฝืนได้เนาะเราฝืนความง่วงเราฝืนความเบือ่อความอะไรที่ที่เราเคยตามมันตามตลอด เห็นไหมบางครั้งมันจะทำอย่างที่มันไม่ละอายก็ได้มันมันน่าเกลียดขนาดไหนมันเราก็ยังไม่เห็นมันเราก็ทำตามขนาดหลวงพ่อว่าเอออย่าคุยกันเด้อวันนี้เก็บอารมณ์เด้อเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราเป็นอย่างนั้นนะเพราะมันเป็นฉะนั้นเองไอ้ตัวสัรสัตว์ญาณของเรานี่นะมันไม่รู้หรอก เนี่ยแม่สมพรมาเพิ่งรู้เองว่าเวลาตัวสติตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วเราจึงได้เห็นแล้วก็เกิดสงสารโอ้เมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้เนาะโอ้โหเมื่อวานนี่หลวงพ่อก็สอบเมือ่อเมื่อก่อนนี่หลวงพ่อก็สอบพ่อมาข้างแรกเนาะเรามาทำงานท่านให้เป็นพี่เลี้ยง จิตหนึ่งเราก็โอ้มันวีเวกเราก็อยากปฏิบัติเพราะมีแม่ครัวแล้วท่านบอกว่ามาโชคดีท่านก็บอกว่าให้ตั้งใจเต็มที่เลยโยมสมพรอาจารย์วสันว่านะให้ปฏิบัติเนี่ยสถานที่มันดีแล้วท่านว่านะโอ้ยสาธุทนอาจารย์พโยมก็ทํางานเหนื่อยละสี่รัดมาละท่านมีแม่ครัวมาจากเมืองไทยท่านว่าอยู่ที่นี่เขามาทําเจให้เลยท่านว่าโอ้ยกราบท่านเลยโมตนาสาธุโยมจะได้พักผ่อน หลวงพ่อว่าดูดีๆนะเรามีกันแก่สามสี่คนต้องช่วยกันโอเคเราก็ได้ดีใจเห็นไหมจิตหนึ่งเราก็เป็นห่วงในเรื่องอไดูแลนักปฏิบัตินี่ดูสิขนาดเราฝึกมาแล้วนะล้วก็ต้องอินเตอร์เทนพี่เขาพี่ก็มาแต่พี่มาช่วยพี่มณิสาเขาก็มาช่วยไปสองงานเขาไปแต่ยูท่าก็อีกรัฐนหนึ่งเขาไม่ได้ไปเขามา เข้ามาสิคาโกก็มาที่นี่ช่วยพี่เขาก็ช่วยขนาดงานก็ยุ่งขนาดเขาก็ยังมาช่วยเราก็มันก็เลยมีไอที่พวงนิดหนึ่งที่ว่าเออเดี๋ยวดูคนนั้นเดี๋ยวคนนี้ทําไม่ถูกแนละ้วคนก็เยอะคนเยอะนะแสดงว่าเยอะมากเนี่ยสําสหรับที่ว่ายังไม่ได้เข้าใจเป็นพื้นฐานเนาะก็ยังมีอย่างน้อยเห็นวันอาทิตย์ประมาณเกือบ60นะนับแต่ว่าคนไม่ได้เข้าทางมดดกแต่ว่าเห็นคนมานะแต่มันก็เยอะ มันก็จิตหนึ่งก็ยังคิดว่าโอ้เราต้องช่วยเห็นคนนี้ทำถูกบ้างไม่ถูกบ้างผิดนู่นนี่นี่ก็ต้องเดินไปช่วยนะหลวงพอ่อต้องดูช่วยหลวงพอ่อเดอ้อหลวงพอ่อคงจะไม่ อ, อะไรล่ะไม่ไม่ทั่วถึงทันวาไอเรามาทำมันก็ยังไม่ได้ได้อ่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวนี้นะมันยังไม่ได้ชัดเจนเลยเพราะเราก็เหนื่อยงานก็มีบางครั้งหลวงพ่อไปสอบบางครั้งเรารู้อยู่ว่าหลวงพ่อสอบทันที่ออกไปแล้ว เราก็หลุดละ เ, ออเดี๋ยวท่านก็ถือใบไหมนั้นมาหรือนี่ไม่ท่านจะสอบอารมณ์ไปอย่างนั้นแหละไอ้เราก็มันสติเนาะเรามันยังไม่ทันเลยก็นึกว่าหลวงพ่อนี่ต้องการน้ำยานางนี่จริงๆเนาะเราก็ไปละที่นี่มียาเยอะนะทันว่านะไอ้เราออกจากคนนั้นมาคนนี้มาเออดีเนาะหลวงพ่อยาเยอะนะ อยากให้ท่านจัดทุกปีเลยเห็นไหมจิตมันมันมุ่งอยู่ตั้งแต่การที่อยากช่วยอยากมาปฏิบัติอยากทำตรงนี้สถานที่นี่ดีมากอะไรมันวิเวกดีเลยและกับหลวงพ่ออ๋อนี่ยาตรงนี้มีก็เดินกับหลวงพ่ออีกละไปยังไม่รู้ว่าท่านสอบเราเลยเอเอเกลัวที่จะถึงตรงนั้นน่ะไปถึงยาอ๋าหลวงพ่อสอบเรานี่วะ่ะท่านเลว่าเห็นไหมเวลาจะฝึกมาดีขนาดไหน เพลิน <Turn S 2> <Turn S 1> ไปแล้วนี่เห็นไหมจิตมันมารับที่สิ่งที่เราต้องการเราอยากช่วยเราอยากบอกเราอยากทําอะไรที่เราต้องการเน่ะมันหลงแล้วมันไม่ได้อยู่ในคณะหนึ่งปัจจุบันหนึ่งอยากวางต้นหญ้าเลยนะจิคิดแต่มันเร็เวเร็วมันเร็วอีกอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเราฝึกดีแล้วเรื่องสติตัวนี้นะถ้ามัน เต็มแล้วมันเข้าใจแล้วมันเกิดไปเป็นขั้นเป็นขั้นของความเข้าใจของความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่นะมันจะเห็นแต่มันจะช้าแต่เรื่องสติสัมัญญาณนี่มันมันเหมือนหน้ามือกหลังมือมันอยู่กับเราอยู่แล้วแหละเห็นไหมทําไมหลวงพ่อละลืมย่ามเพราะความไวของการที่จะต่อเครื่องนู่นนี่นี่ใช่ไหมตัวสติสัมปัสยานี่เขาถามไม่ทันก็รีบอันนี้มันเป็นสััตยานของ ของควมเขาจะเรียกอะไรเลือกควมวัยแล้วก็เพลินแล้วก็หลายอาจจะเขาจะถามนูน่นถามนี่เนาะเวลาไ อ, อ, อ้ที่เราเอาของที่ผ่านตาตกรวดไปนั้นวนะัดเดียวแค่นั้นหรอกลัวจะกลัวจะรู้สึกได้เพิบขึ้นมาเราผ่านไปแล้วกลับขึ้นไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่มันดีที่ว่า ตัวที่เป็นความพร้อมของท่านหรือตัวสติสัมปัสญาหรือยานปัญญามันเข้าใจมันอุปิขามันวางได้เห็นไหมมันจะไม่เป็นทุกข์มันจะมีเพชรจักสิบก้อนอยู่ในตรงนั้นก็ไม่สนละเห็นไหมถ้าเราอะค่วมวันค่วมคืนแล้วโอ้ยอยากกลับไม่อยากเดินทางต่อแล้วตจะกลับใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ไม่ต้องวิโตกหรอกว่าเออปฏิบัติไปถึงขนาดนั้นยังมีคนมาถามนะถามแม่สมพรว่าเออ พวกเรานี่มันจะขนาดไหนเนี่ยขนาดท่านปฏิบัติเป็นอาจารย์ท่านก็ยังลืมเลยนะก็เลยได้อธิบายให้ฟังเรื่องตัวสติตัวนี้นะมันมีมาแล้วแต่อยู่กับเรานี่เราพยายามอยากมาฝึกให้มันขึ้นแาบไหนที่มันยังไม่เป็นอรหันต์นะหรือลดละอาสวะนี่ตัวนี้มันจะไม่เป็นแบบพระพุทธเจ้าหรอกต้องอยู่รู้พร้อมตลอดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่อย่างนี้เนี่ยแม่สมพรมจะเปรียบเป็นเก้าอี้ใบเดียวเนี่ยแต่มีคนสองคนเดินอ้อมอยู่ คนไหน ว, วิ่งเรว็วกว่าจะได้นั่งนะ a n c e ช o sit ิ o ดาวอ the c h a ช r มันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยตัวสติสัมปสัญญะกับสติของสันสัตยานหรือความรู้รู้แจ้งรู้พ่อมหรือว่าตัวปัญญายานนี่เขาก็จะคู่กับวิชากับอวิชาอยู่อย่างนี้เห็นไหมสู้กันทั้งวันเมื่อวานนี่เห็นไหมชนะได้เห็นไหมมันอยู่อย่างนี้แต่ความรู้ที่เราเรียนจบมาไม่สมภพจะเปรียบเทียบตอนนี้เป็นอาจารย์ เนสอาร์เอ็นใช่ไหมจบมาแล้วทุกคนเห็นก่บยังเคารพเป็นเป็นเนสก็ยังบอกกับคุณพี่เน R อาร์เออยู่ใช่ไหมเป็นครูเรียนจบความรู้นี่จบมาแล้วก็ยังเป็นครูรีทายแล้วก็ยังครูด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์มาแล้วรีทายแล้วกับคุณพี่หมอปออเห็นไหมความรู้นี่ก็เหมือนกันที่เราพัฒนาตัวสติสัมปสัญญะหรือความรู้พร้อมเนี่ยนะเขาจะรู้ขั้นรูปนาม รูปนามนี่รู้จริงนะถ้ารู้จริงแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงลดละได้ทุกอย่างตามสติปัญญาของเขาถ้าพัฒนาต่อเนื่องคือเหมือนที่เราหาเงินมีแล้วอซื้อไปแล้วอินเวสต์กินดอกเบี้ยใช่ไหมแต่ต้องหาอยู่เงินดอกเบี้ยเขาก็จะเพิ่มพูนอยู่เงินแสนนี้ยังไม่หมดที่เขารูปนามของเขาก็จะคงตัวถ้าสมมุติว่าคือหลวงพ่อว่าหามาได้แล้วก็จินหมดเลยจ่ายหมดเลยแล้วก็ไม่ได้ ไม่ช่วยดูแลไม่ได้เมนเทนในเรื่องการอ่าอะไรทําคมเพียรต่อรูปแบบต่อเองนินเดินหมดแล้วมิเตอซื้อบัตรถึงลอตเตอรี่แสนหนึ่งแต่หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะนะั้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าพัฒนาต่อเองินนั้นก็จะค่อยออกดอกออกผลสันใดก็สัญนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าสมมุติว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วมันจะแจ่มชัดอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเผลอเห็นไหมคมเพลินมาปุ๊บ ขาดสติปุ๊บเ็บจะกลับได้เร็วเร็วที่สุดเลยดีกว่าเรายังไม่ได้ฝึกและไม่ปฏิบัติดีกว่าคนอื่นเนียไม่ได้เป็นเนสใช่มัยร์เอ็นคุณพี่ได้เป็นไปแล้วถึงยังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนกันแต่ก็ขอให้ฝึกตัวรู้สึกตัวตัวนี้ให้ผ่านให้ให้ผ่านนิวร์ให้ได้ จะแนะนําเรื่องการเก็บอารมณ์อีกนิดนึงตอนนี้เราได้บทเรียนกันทั้งหมดแล้วเนาะได้โฮมได้โฮมเวิร์กแล้วขันจะพูดเป็นภาษาบ้านเฮาก่ะมาโรงเรียนมาเข้าเรียนแล้วสิบวันกันแล้วเรารู้ทั้งหมดเรื่องวิธีที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่ลําดับตั้งแต่กอไข่กอไก่ถึงเออฮอนุคู่เลยภาษาไทยถ้าเอก็ถึง Z ีถึง Z แล้วใช่ไหมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้ววิธีการที่จะเอาไปทําต่อก็เราเอง จะอยู่กับเราว่าค่อนข้างจะเป็นคนจริงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรต้องอยู่กับเราการทำก็คือหลวงพ่อว่าต้องจับตารางหลวงพ่อว่าจับตารางให้ตัวเองเราจะบอกว่าไม่มีเวลาโอ้ยมันยุ่งนุ่นยุ่งนี่ที่เรามาเรียนเจอ่สิบวันนี้มีไหมที่สิ่งเราไม่ได้ใช่เรื่องการเคลื่อนไหวมีไหมที่เราไม่ได้เดินใช่หมเราจะออกว่ารูปแบบนี่โอ้ยมันทําบได่อย่างอื่นก็ยังทำได้ หายใจเราก็หายใจแต่กําหนดรู้มันแผ่วเบาแต่เรารู้แล้วเรื่องการเดินจมกลมเราไปห้องน้ำเราก็เดินจมกลมด้วยการที่เราแต่ทําไมเราต้องเก็บมือเพราะเราอยากรวบรวมความรู้สึกตัวไปที่ฝ่าเท้าแล้วมันก็ดูสง่าป่าเผยไม่ใช่ว่าเราจะไปแบบพวงแวง่วงแว ง, แวงเห็นไหมเวลาเรายังไม่มีสติเราจะรู้ได้ทันทีเลยคนไหนที่ไปด้วยมีสติหรือไม่มีสติที่จะแค่จะเปิดประตูนี้เราก็ยังรู้แล้ว เพราะว่าแม่สมพรเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนหยาบมากเลยหลังจากที่ตัวสติตัวนี้เนี่ยนะเข้าใจแล้วมันรู้พร้อมแล้วมันจะเปลี่ยนอัตโมติของมันไปเองจะนิ่งจะเช็คดูอีกล็อกหรือไม่ล็อกยังยังไม่มั่นคงนี่ก็จะดูสองสามครั้งเห็นไหมเราพุทธทุติยมปีตาตียมปีสามครั้ ง, ท, ตตงที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน สอนเรามามันเป็นปิศนาธรรมที่สอนเราทั้งนั้นหละทำไมต้องซ้ำตั้งสามหนสามหนทุกอย่างเลยให้มีสติและลึกรู้อย่างน้อยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งพาเม่เชื่อ sure ว่าเราปิดจริงจริงเราล็อกจริงๆเราปิดเตาไฟเราแล้วนะจริงๆไอ้ตัวนี้เวลามันเผลอไปลืมไปขึ้นรถไปแล้วเออเราปิดเราใส่ล็อกบ้านหรื อ, อยังเราเปิดปิด เตาแก๊สหรื อ, อยังเนี yeah. ่ยมันและตัวที่เราเช็คสองครั้งสาครั้งนี่แหละมันจะพับขึ้นมาโอ้ไอออริเม็กชัวว่าฉันล็อกแล้วนะฉันดูทั้งสองสามหงตัวนี้มันจะเป็นตัวรละลึกรู้อีกเทเธอที่หนึ่งเทเธอที่สองเทเธอที่สามเราทําอย่างนี้บ่อยๆๆมันจะเกิดความชํานาญเลยในเรื่องที่การที่ว่าเช็คดูอีกครั้งหนึ่งสองครั้งเป็นชนิดแหละมันจะต่อเนื่องขึ้นมาคือเราสเสริมตัวรู้สึกตัวตัวนี้หรือตัวระลึกรู้ตัวนี้คือตัวสติ มันจะเติบโตใหญ่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำอยู่ที่บ้านแม่สมพรเข้าใจรูปนามที่วัดสามวันแล้วแต่ไปบ้านเก็บอารมณ์ตลอดเลยเก็บอารมณ์วันขนาดวันหยุดเราจะาวันหยุดแรงวันศุกร์นี่เนา ะ, ะถือว่าแรงวันศุกร์ซะเลิกจากทำงานมาแล้วเตรียม อ, มอาหารที่บ้านให้เรียบร้อยที่นี่สะดวก สะดวกสบายจนันหน้าคิดว่าอาจารย์ผูดอะไร ย, ยังไม่เห็นคนบรรลุธรรมในห้องแอนี่เป็นเรื่องจริงนะแม่สมพรไปเข้าคอสกับหลวงพ่อเราก็เราก็ถือว่าสาธุมีบุญจริงๆที่ปฏิบัติอยู่ที่อเมริกาได้เข้าใจตัวเองได้เข้าใจไปตามลำดับที่ที่ตามสติปัญญาของแม่สมพรว่าง้งเถอะที่เอาตัวเองดึงออกจากขุมนรกมาได้ขนาดนี้ แต่ไปประชิญที่เมืองไทยกับหลวงพอ่อโอ้โหสมท่านอาจารย์วสรนวะย่างโบเห็นไผเลยบรรลุถ้ำในห้องแอร์มันก็เรื่องจริงเพราะท่านก็เคยประสบการณ์มาแล้วที่เมืองไทยเราเนาะเมืองไทย เ, เ ม, อยเมืองลาวพระธุดงแต่ก็ยังไม่เหนือความสามารถเพราะแม่สมพรเคยฝืนมาได้แล้วทํางานกลางคืนเกลี้าต์ไฟร์เดย์ไหนเราหงหาอาหารเตรียมเลยตะลมตลาด จักสเกจูไว้เลยนี่ให้ลูกให้ผัวมื้อนี้แม่จะเข้าเก็บอารมณ์เดอ้ออนุโมทนาเดอ้อตอนนั้นเราเข้าใจตั้งแต่เรื่องเอาแต่ศีลมาป้องกันทั้งหมดแหละเออถ้าว่าไม่พูดก็ไม่พูดจริงๆคือควมมันเคารพทำจริงๆอะ่ะเพราะควมเรารู้เราเห็นผลที่สิ่งที่เราทำไปมันได้ควมสนุกเยือกเยน็น ทำงานก็นายก็รักเออมันพูดจาปาใสมันมันจะเป็นตามลำดับของเลยสติตัวนี้นะมันจะเปลี่ยนแปลงพรวิหารสีก็จะเข้ามายองใจเราเลยนายก็รักลูกค้าก็เข้าเยอะหาเงินให้เขานั่นแหละแต่มันก็ทำด้วยความที่มีความสุ ข, ขุมลุ่มลึกอะ่ะมันเข้าใจมันเพราะมันการปฏิบัติไปด้วยเราเป็นโฮสเทสเรารับแขก เดินจะไปเอาแขกเข้ามาเรียนลายเราก็เดินเดินจมกรมไปเห็นไหมเมื่อก่อนมันจะทำโอ้ยดูนาฬิกาเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาอยากกลับบ้านใจมันมุ่งอยู่ทุกที่แต่ตอนนั้นหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หลังจากที่มันเข้าใจแล้วยิ้มแย้ยแยมใสพูดจากับแขกแขกมาแต่มันทำงานไม่ถูก เขาทํางานอยู่ก็เกี่ว่าหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าทีน่นี่มันจะเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยตัวรู้สึกตัวนี้ตัวเข้าใจตัวนี้คือมันเห็นเป็นหน้าที่แต่จิตของเรามันยังมุ่งอยู่ว่างานชิ้นนี้ก็ยังเป็นอุปสรรคแก่เราเรารู้สมมุติว่าเราตายวันตายพุ่งไปแล้วความรู้ที่กับเรานี้มันก็จะไปกับเราไปเลยเราจะไปบอกใครล่ะเวลาพักก็แค่สองวันหยุดปีหนึ่งก็หยุดแค่ อิตย ห, หรือสองอาทิตย์แค่นั้นเองหลวงพ่อไปจัดคอร์สที่นู่นก็นไปไม่ได้หลวงพ่อไปจัดที่นี่ก็ไปไม่ได้มันมีความมุ่งหวังอยู่ตลอดว่าเราต้องเอาชนะตัวนี้ให้ได้เราจะวัดแทกอยู่ตลอดเลยแหละอืโลกเราก็ยังมีเดี๋ยวเมื่อเนาะเวลาหาเงินมันก็ยังคิดโอ้ยังลูกยังหลานเออเมื่อไหร่เราได้เพย์ออฟบ้านล่ะเราจะหยุดเพย์ออฟแล้วก็ยังหยุดบ่อได้ มันก็เป็นลำดับของมันนะเรื่องรูปนามก็เหมือนกันนะเป็นลำดับเหมือนคุณพี่เรียนตั้งแต่ปหนึ่งปอสองถึงได้เป็นเน r อร์นั่นแหละแต่มันก็ด้วยความพยายามของเราอยู่ที่บ้านก็อ่ะเราไปปฏิบัติที่วัดไม่ได้ล Friday นะ f r i d เด n i ไหนเตรียมหุงหาอาหารแล้วเข้าเก็บ อ, อารมณ์บอกลูกบอกผัวติดสติ๊กเกอร์เลยแม่เข้าเก็บอารมณ์นะอาหารมีในตู้เย็นเพราะมันสบายคือว่านั่นแหละอาหารก็เตรียมใส่ตู้เย็นไว้ได้ อยากทำอะไรห้องบ้านเรามันก็มีแมสเตอร์รูมห้องน้ำอยู่ที่นั่นแล้วสบายเราก็มีแต่ความพร้อมของเราแหละตื่นที่สามตั้งสัจจะใส่ตัวเองเลยอันนี้พูดถึงว่าเรื่องของเมสสมพลนะพวกเราไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ดอกแต่พูดถึงว่ามันคือคนเราจะเราจะเรียกอะไรละ่ะแรงกำลังหรือแรงศรัทธามันก็แตกต่างกันเนาะแต่พูดถึงว่าเรื่องของเมสสมพลอาจจะว่าเราเออกไปทาได้เท่าไหร่ก็ได้ มันมีสัจจะของตัวเองตั้งแต่วันเริ่มเข้าไปเจอหลวงพ่อเลยแล้วว่าอืมวันเวลามันน้อยนักสําหรับเราขนาดนี้เหรอจนอายุ42ปีแล้วค่อยมาเจอผู้เข้าใจจริงแล้วมาบอกเราเออแล้วเราก็โลกเต็มทั้งโลกมันบอกเลยเราจะอยู่นําออกซิเจนแล้วจังค่อยมาเจอเพลนโอ้อย่างดีถ้าอย่างน้อยๆถ้าตายก็ตายด้วยขวบที่เราได้ทําคมเพียร น, นี้ภูมิใจละ เพราะว่ามันมันทุกเหลือเกินที่ในในร่างในขันในรูปในนามของเรานี่มันรู้อย่างนั้นมันก็ทําความเพียรตั้งแต่วันนั้นจนถึงลําดับที่เราเข้าใจมาแล้วก็ยังทําอยู่ตลอดเข้าไปแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานเลยสามวันวันจันทร์ตอนเช้าออกไปทํางานเขาจะออกเขาจะพูดกับครอบครัวเนี่ยมันมีสัจจะถึงขนาดนั้นนะอธิษฐานใจเลยเอาศีล้วยตนนัวเองเมื่อก่อนนี้จะต้อง ไปวัดเอาศีลซะก่อนที่เรายังไม่ได้เข้าใจนะตอนนี้ไม่ตองมันเข้าใจละเรามีหิ่งพระเนาะเรามันก็เมื่อก่อนมันกำมลกลังลงนะ็กลุงลังในหละห้องพระนะ่ะมันจะมีขันบักเบงขันยัางเออหลังจากที่เราเข้าใจมันลื้อทั้งหมดเลยไอ้เรื่องสมมุตินี่ออกจากหัวให้หมดเลยพิทีรีตองโอ้โห Yeah, ยุ่งยิ่งอ่ะไหว้พระไม่มีดอกอยาดน้ำหยาดอะไรมันอยู่ในใจเลยเนยะมันเข้าใจถึงขนาดนั้นนะข่วมวมรู้แจ้งเนี่ยนะมันเปลี่ยนจากคนที่โง่งมงายทุกอย่างเลยขึ้นมาเป็นคนเฉลียวฉลาดให้ได้เออตั้งคววมเพียรเลยว่าอ่ะต่นี้ต่อไปคอยเอาสินแปดแล้วมันบอกในใจเลยนะอือตื่นตีสามก้0เก้าโมงสามทุ่มเนาะสามทุ่มค่อยจะ เอาหลังลงพื้นมันก็มีสัจจะทำจริงของมันอย่างฉันจริงๆถ้าไม่ได้ตัวสินที่ในใจนี่แหละมันจะผุดขึ้นมาบอกเราเองว่าอยู่ผิดสัญญาแล้วนะผิดสัจจะแล้วนะมันจะกลัวบาปกลัวบุญกลัวสินเราปฏิบัติใหม่ๆนี่สินจะรักษาเราดีมากทําความเพียรเลยตื่นขึ้นมากําหนดเลยคือหลวงพ่อวาเนี่ยเราจะฝึกเมื่อก่อนมันก็นยังจําทั้งหมดไม่ได้หรอกจะเปิดผ้าหม่มมือไหนจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาแล้ฝึกเลยฝึก เพราะว่าท่านบอกมีแค่นั้นเองรู้รูปรูนามแล้วก็ให้อยู่กับรูปกับนามดูกายดูใจกายมันเคลื่อนใจรับรู้กายมันเคลื่อนใจรับรู้อยู่ที่ไหนทําอย่างนั้นมันก็เลยเกิดความเคยชินทีมันจะลุกจะตื่นมันก็เป็นออโตมติกของมันเลยตั้งสัจจะอธิษฐานแต่ส่วนมากมันอยู่ในห้องนอนของเรามันก็เดินได้แค่เกตเก่าเนาะห้องพระเรามันก็แค่นั้นก็ตั้งตารางตัวเองไว้ว่าตื่นตีสาม เราจะทำความอะไรเรียบร้อยก็ให้อยู่ได้ความได้รู้สึกตัวไปห้องน้ำมันก็ใกล้ๆเองห้องอ่าแมสเตอร์รูมมันจะมีส่วนตัวของเรากลับมาแล้วก็มานั่งทำความเพียรจนถึงเจ็ดมงเชา้าลงไปข้างล่างไปอาหารเพราะเราเตรียมหุงหาไว้แล้ว จะค่อยไม่พูดบางครั้งเราอยากลงไปเอาขึ้นมาก่อนก็ได้เรากินผลไม้สองใบก็ได้ละกล้วยใบหนึ่งแอปเปิ้ลใบหนึ่งน้ําอุ่นน้ำํำใบเราเตรียมไว้อยู่ในห้องเราเรียบร้อยละไม่ต้องลงไปยุ่งยากกับลูกกันอย่างลูกกัลูกคนเดียวที่อยู่ด้วยคนนั้นยังไม่จบไฮสคูลทาอยู่นั่นแหละจนถึงอสุสมงที่เราบอกว่าจะสันตอนสิบเอ็ดเสียเราก็สิบเอโมงก็สันอาหารแล้วก็เรียบร้อยเราจะทําเหมือนพระเลยแหละเอออาจจะนิ่มนวลกว่าพระอีกก็ได้ ทำคว่มเพียรนี้นั่งถ้ามันไม่พรจะใส่แต่สามสามท่าแค่นั้นเองนั่งเทพธิดานั่งเท พ, พบุตรนั่งเขานั่งที่อย่างอื่นไม่ได้ง่วง เ, เพราะมันห้องมันก็แคบแล้วก็ปิดทั้งหมดเลยหละออกจากห้องน้ํามาที่นี่แล้วก็ปิดตูของเราก็เข้ามาอยู่ที่ห้องผ่าของเร า, าเดินเจ็ดเก้าถอยหน้าถอยหลังคว่มคิดก็โอ้โหไม่รู้มันมาจากที่ไหน มันมาเหมือนภูเขาเรากาแต่เราก็พยายามเนี่ยหลวงพ่อบอกถ้ามันคิดมากๆก็ให้กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันยังไม่เห็นก็สําำรองดูมือเรานิดหนึ่งเพราะจิตเราจริงๆจิตเรามันรับได้แค่ข้างเดียวเวลามันยุ่งมาจริงๆนะเนี่ยสำรองดูนิดหนึ่งก็เลยได้เอาเทคนิคตัวนี้มาพูดเลยหลวงพ่อว่ามันจะตัดคมคิดเราเพลินไปสักหน่อยนึ่งก็กลับมาดูไม่ได้ก็กระตุ้นใหม่ a d j u s ใหม่ให้มันรู้สึกบ่อยๆเนี่ยอเคาะหน่อย สัจจะนี่จะต้องตั้งเลยสามสิบนาทีนี่ถ้านี้จะไม่เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนจิตใจมันจะมุ่งมันอย่างถ้าไม่อย่างนั้นมันก็มันจะเพลินไปกับสิ่งที่เราเคยชินโอ้ยจะปวดโบ ป, ปวดก็อยากไปแล้วห้องน้ำอยากหรือไม่อยากมันก็คั่วเอาแล้วทุกอย่างเอาไว้ไกลที่สุดในห้องพระนี่พยายามเอาออกให้หมดเลยให้มีแต่ที่นอนกับไอ้นั่นเราก็เก็บเรียบร้อย มันจะบางครั้งเราก็จะสูงกิเลสเราบ่ได้เนาะบนนอนมันปูเรียบลอยอยู่เอ้ยมันเหนื่อยมันก็อยากง่อยแอปนะ่ะถ้าไม่มีสัจจะตรงนี้อันนี้เรื่องจริงโอ้ยแม่สมอมทํามาทุกอย่างเลยเรื่องนี้เก็บเลยไม่ได้นอนตั้งแต่เข้าใจลูกน้ำไม่นอนเตียงเลยตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้ไม่นอนเลยมันดีแก่สุขภาพด้วยเอวก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างมันปรับเปลี่ยนระบบขึ้นมาหมดที่เป็นโรคหลายๆโรค บมียาอะไรแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ยาพระพุทธเจ้าที่บอกว่าน้ำปัสสาวะแค่นั้นเองทำดีท็อกเรื่องอาหารแล้วก็ออกกำลังกายภาวนาแค่นั้นโลกของมสมพลตอนนี้มันปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงออกมาทุกอย่างเลยแต่ก็ทําคขมเพียนนี่ทำจนเพื่อนจนบอกว่าโอ้ยอยู่กับจุดจีเผาลนเอาเนาะเฮควนละาวนะจุดจีเผาลนว่าอย่างไหนภาษาไทยคล้ายๆว่าคื อ, ค, อคือทําแท้ ทำอิหลีแท้ทำจนจะเบียดเบียนตัวเองหรือจะฆ่าตัวเองอย่างนั้นแหละจุดจีเผารุคว่มลาวเราแบบคล้ายๆคือว่าปิ้งแหละรู้จักไหมปิ้งปูปิ้งปลานะ่ยนะจนขางมันอยู่งนี้แหละเออเออเป็นคล้ายๆคืออย่างนั้นแหละคือคือความลาวาจะพูดกันนะเพื่อนก็ล่ะกันไปปฏิบัติ ด, ด้วยกันโอ้ยเขามาส่งเข้าส่งเวลาไปเก็บที่วัดเขาคุณเ ข, ขาซื้อพิมพ์พาปีกายนีก่ก็มาด้วยกันตอนจากฮาวายเนาะคุณพี่คงจะรู้ เปลี่ยนกันเก็บอารมณ์ธรรมกิจวิวัตเวลาเขาเข้าเราก็เทคแคร์เขาเอาเข้าให้เขาเวลาเราเข้าเขาก็มาเทคแคร์เราช่วยกันอย่างเงี้ยก็เป็นแม่ครัวช่วยกันอยู่ทุกวันนี่แหละแต่บางครั้งเขาเข้าไปทุกทุกงานไม่ได้เพราะเขายัางโลกเส้นลูกเอ็นยังยังอ ย, งอ ย, งอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝึกฝนตัวเองจนตั้งแต่วันเข้าใจตัวเองจนถึงวันนี้ไม่เคยทิ้งเรื่องการเก็บอารมณ์เลยแม่สมพรเนี่ยนะอืม ไหว้พระเขายาวมากเมื่อก่อนนี้สองสามชั่วโ ม, มงยังไม่จบไหว้พระน่ะนะนะเพราะมันติดไหว้พระไม่ได้สักเคกาเมก็ไม่ได้สักเคกาเมจะรูเปคิริศิขารัตเตจําได้หมดละไอ้สิ่งเหล่านี้ต้องอังเชิญเทพทั้งหลายลงมาเอาโปโมทนาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ใน ใ, นใจที่มันติดแต่เวลาเข้าใจรูปนามเข้าใจสมมุติเข้าใจวัตถุ ป, ปรมาอาการแล้วมันจะตัดออกไปหมดเลยเรื่องเหล่านี้จืดจางออกไปหมดเลย ทุกอย่างอยู่ในใจของเราที่มันมีความยึดติดไอ้สิ่งหยาบยาบนี่หลุดออกทั้งหมดเลยเรื่องพิธีรีตองอะไรนี่มันจะรู้เลยว่าทุกอย่างอยู่ที่ใจเราอยากนามอิมีนาปุญญากาเมนาเ น, นียยาดเราไม่รู้ความแปลเลยดูซิลองอ่านความแปรดูซิทุกอย่างที่เราตั้งที่ให้เราทำคือให้มีสติแค่นั้นเองถ้าไม่มีสติเดี๋ยวนะ้ำมันจะหกออกจากนอกใช่ไมเนี่ย พูลลงมาตรงนี้แต่คำแปลของถ้ำ ไ, ไหมแม่น้ำที่ห้วงหมดในสามุทรสาขอมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับเรื่องไอ้ตรงนี้เห็นไหมมันจะสลัดขึ้นมาเลยเวลามีสติมีความเข้าใจแล้วมันจะอ่านเห็นเนื้อหาสาราว่วาโอ้ท่านพูดเรื่องอะไรเออเห็นไหมมันจะรู้แต่ สิ่งที่เราเคยทําทําำมาคือท่านทุกอย่างมีกลโุบายทุกอย่างทุกวัดพยายามดึงคําพูดคําอะไรที่เอามาพูดนี่ให้เรามีสติอยู่ตรงนี้แต่เราไม่ได้จี้เรื่องกันเรื่องสตินี้มากเราก็เลยเห็นความสําคัญของตัวสตินี้น้อยมากเห็นไหมมากันสิบวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องอะไรเลยแต่เรื่องสติอย่างเดียวใช่ไหมเพลินละนันทิละนันทิอยู่อย่างนี้เพลินปุ๊บให้กลับมาอยู่กับปัจจุบัน แม่สมพรยังบอกว่าไปวัดได้กระชั่งถ้าพูดเรื่องสติน้อยเกินไปเราห่างจากพุทธศาสนามากที่สุดเลยอส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่สองเรื่องนี้แหละทานรักษาศีลแต่เรื่องภาวนานี่จะน้อยมากโชคดีที่สุดที่วัดจอรเจียเนี่นะที่มีอาจารย์ที่เป็นคนที่บุกเบิกเรื่องนี้อย่างเดียวเห็นไหมสถานที่ของท่านมีแต่เรื่องของวิปัสสนาทั้งนั้นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ลองประสบการณ์มาหลายรูปแบบแล้วแต่ท่านก็ ยังบอกว่าท่านต้องเอาครูบาอาจารย์มาช่วยช่วยญาติช่วยโยมไม่ใช่มาช่วยท่านหรอกช่วยญาติช่วยโยให้ปลุกให้เขาตื่นช่วยแนะมันหลายปีแล้วเขาเจ้าก็ยังบ่ตื่นความหมายของท่านนะนะแต่ท่านนจะทํำยังไงท่านก็ไปรอดอยู่แล้วเพราะท่านมีสติปัญญาแล้วท่านจะเอาอย่างไงท่านก็เอาได้แล้วแต่ท่านก็อยา ไอ้ตูนญาติโยมของเรานี่แหละที่มีศรัทธาเรื่องกินเรื่องทานนี่จริงๆแต่ก็ อ, อย่างน้อยก่อนจะตายก็ให้เขารู้ว่าเออคุญแกตัวนี้เอาให้แล้วให้เขาไปเปิดวิธีเปิดซะเนี่ยท่านก็อย่างนี้ท่านก็ยากทำมมาเห็นน้ําใจท่านก็อนุโมทนากับท่านจริงๆนะยังบอกหลวงพ่อว่าถ้าท่านรับว่าทุกปีมีจริงๆเอานะหลวงพ่อคนเยอะจริงๆปกติไปจัดคอร์สที่ไหนนี่นะแรกวันแรกนี่จะเยอะแต่นานไปแล้วก็เหลือสามสี่ห้า เท่านั้นแล้วแต่ท่านก็นยังพรำหลวงพ่อท่านมีเมตตาจริงๆท่านบอกว่ า, าขี่้างหลอดขี่มอดข้างท่านว่านะ่นะก็คล้ายๆกับมันเยอะเนาะที่แรกก็ห่อนไปห่อนมาเราห่อนเอาเพชรเอาพลอพยนะมันก็เหลือตั้งแต่สองสามคนดีแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราช่วยพุทธศาสนานี่นะสอนความจริงพูดความจริงอย่างน้อยๆปีหนึ่งได้คนหนึ่งก็กลุ้มคาแล้วท่านว่านะ เออเราก็เลยมีกําลังใจเราคิดว่าเราเหนื่อยเนาะไปเป็นแม่ครัวทุกงานทุกงานไปไหนเขาทำครัวท่านละสบายเนาะท่านพายามไปลงยนตมาก็มีคนมารับทําไปอะไรมันสบายไอ้เราเนี่บางที่เนะี่ยหอบอุปกรณ์ด้วยแต่ก็มาคิดท้อว่าอบางครั้งไปแล้วก็เห็นคนไม่ได้ตั้งใจแล้วเมื่อ ก, ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตใจเราก็ยังไม่ได้เติบโตพอที่จะมีเมตตาเหมือนหลวงพ่อเนาะงานไปอย่างนี้ก็บางครั้งไม่มีคนช่วยสามีไปช่วยไป ไปเห็นคนอ่อนแอท้อแท้ไม่ทําจริงอะไรนี้จิตเราก็เหี่ยวหลวงพ่อโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยงานนี้อย่างเงี้ยมันก็ถอนหลวงพ่อว่าเจ้าต้องฝึกใหม่เจ้าต้องไปเมืองไทยไปเก็บอารมณ์ใหม่ยังไม่ได้ยังไม่ผ่านจิตเราต้องใหญ่ต้องเติบโตต้องเข้มแข็งอุย้ยเราก็ได้สติกลับมามาดูท่านนะลงจากเครื่องจากไม่ใช่ว่าเราลงจากรัฐนู้นไปรัดนี่ท่านมาจากประเทศไทยวันนี้พรุ่งนี้งานแล้ว โอ้เราก็ได้สติขึ้นมา อ, อเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทอ้อเราแท้ท่านนะเพิ่งลงเครื่องจากสนามบินมาถึงวันนี้พักพ่อนในตัวไปเลยปฏิบัติขะท่านนั่งเฝ้าอยู่กับเหมือนแม่เป็ดแม่ไก่มันก็เลยมีกําลังใจท่านก็เอาไปลัดนุน่นไปที่นี่ไปบางครั้งท่านเหนื่อยมากท่านก็ขอแม่ครัวมาให้เราได้เก็บอารมณ์ก็ทํางานอย่างนี้มาตลอดแต่ความอดความทนความเพียรของเรานี่ก็คือไปเติบโตอยู่ที่เมืองไทยจริงๆ ถ้าเอาขึ้นเขาเลยโอยคนเมืองนอกไปนอนอยู่ทั้งเต็นท์ทั้งทำแสงเทียนมันกลัวขั้งแรกขนาดลูู่่ลู่น้ายังกลัวนะน่ะมันมีหลายระดับนะขั้นลู่ลู่ลู่น้ำลู่เข้าใจนี่นะยังกลัวเลยบ่กลัวจังได้มันผูบกงไงพ้าปีนขึ้นไป มันจะตกตายลงไปจะทำยังไงมันก็กลัวสิโอ้ยเดี๋ยวเอาภาพให้ดูพพศสมพรนี่ผ่านมาเละแล้วหลวงพ่อกคนนี้กับลูกศิษย์ที่เป็นแม่ครัวที่ก้นกุฏิสามสี่คนตอนนี้ยังแข่พี่สมแม่สมพรกับพี่วันิสาหาดูสิมันถึงขนาดนี้นะถ้าท่านไม่เอาไปโขกไปสับไปเทาะไปอะไรจริงๆนี่ไม่หลอดแน่ๆนี่ก็แสดงว่าเป็นขี่หมดแล้ว้าง ขี่สร้างหลอดไปหมดแล้วเม่นวะเห็นไหมเมื่อวานนี้ได้สติขึ้นมาแล้วเออเมือ่อเมื่อก่อนนี้เมื่อวานนี้สองวันท่านเดินมาแล้วมาแล้วหลวงพอ่อไอเรามันตั้งใจว่าให้เก็บอารมณ์แล้วมันก็มันมาเพลิดเดียวเลยหรือความรู้สึกตัวนี้มันจะนั่นมากท่านก็เดินย่องย่อ ง, อ ง, องมาแล้วรูแล้วว่าเอา้ามันไปคุกคีกับคนที่อยากจะสอนดูสิมันมั น, มนทําความเพียรนี้มันจะไหวไหมท่านก็มาแล้วมาที่นี่ โอ๊ยแกมั น, มนสบายเลยท่านก็นมาพูดของท่านแล้วนะเราก็เดินจำกรมเห็นไว้วันนั้นไม่ออกจากที่เลยไม่ได้ไปห้องน้ำเลยตั้งแต่วันโอคล็อกโอวันที่เราเริ่มเดินตอนที่จบนี่คือห้าโมงสิบเออเกือบจะห้าสมงเนาะเดินไม่ยอมอุ้ยมันได้สติมากหลวงพ่อก็ท่านก็นอ่ะปล่อยหน้าเพราะมันวางหน้าที่อ่ะ หลวงพ่อว่าให้เก็บอารมณ์เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเห็นไหมกราบขอโทษคุณพี่ด้วยนะกับเมตุเมตูุเราอยู่ไหนล่ะวนันนี้เออเมตูุก็เมตูุก็เดินมาหาเออจะพูดเรื่องอะไรล่ะมันไม่สนเลยนะแต่ก็คิดว่าเราเก็บอารมณ์ละมันรู้ว่าเหตุที่จะพูดมันไม่ใช่เรื่องตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องอยู่กับกายกับใจก็อ่ะเราทําเป็นตัวอย่างถทำเดี๋ยวพี่พลอยก็มาอีกละเขาเห็ น, นคนใหญก่กดใบไม้ จรงกลัวมันจะลงรู้เราก็คือมันรู้ปุ๊บเหตุการณ์อะมันก็จริงของพี่พลอยแต่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราหลวงพ่อยอยู่ตรงนั้นแล้วเห็นไหมเราไม่รู้คมคิดมันดึงเราไปก่อนมันกลัวไปก่อน <c oughs> เออที่จริงถ้าหลวงพ่อท่านเป็นครอบคุมอยู่แล้วเรื่องนี้ท่านก็จะดูแลเองคิดหรือว่าหลวงพ่อจะไปบอกเขากวดลงไปตรงนั้นใช่ไหมเราก็เห็นปุ๊บเห็นพี่พลอยก็ไม่ได้พูดอะไรก็เฉยๆก็เดินเพราะอารมณ์ตรงนี้มันนิ่งเลยนะถ้ามันรู้แจ้งว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้ของมันเลย อืเดี๋ยวก็คนนู้นเขาคนนี้เราก็เห็นมันหยุดได้สิ่งเห็นคนนั้นทําถูกคําผิดก็หยุดได้เป็นหน้าที่ของหลวงพอ่อหน้าที่ของเราตรงขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้แค่นั้นเองมันเห็นอาการแล้วก็เอ้มีจิตเมตตาขึ้นมาว่าเมื่อก่อนเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะที่ไม่มีตัวสติตัวนี้ ตัวนี้แหละเราต้องประมาทไม่ได้เห็นไหมสามสี่วันที่มานี่เราอยู่กับความมุ่งอยากช่วยอยากบอกอยากสอนนี่เราเพ้อหลวงพ่อดึงลากหูเราไปทุกเรื่องเลยเราก็ไปกับท่านเนี่ยเห็นไหมตอนนี้กลับมาแล้วเดี๋ยวแล้วหลวงพอ่อเขาชกๆก ช, ก, ชกมาแล้วเออเมื่อก่อนก็คิดจะมันว่าจะเดินไม่หยุดแต่โอ้ไม่เคารพธรรมท่านพูดจะพูดเรื่องอะไรเราต้องฟังก่อนมันจะมีสติลงมาตั้งใจรับฟังท่านอย่างดียืนอยู่ท่านก็บอก โอดินซ้ายนี่ดีแน่นี่ท่านสื่อดินซ้ายมาแต่ใสบุนี่มาปูนี่มาเทนี่โอ้ปนบกี้หีนนี่ยิ่งดีท่านก็พูดนะได้ยินไหมท่านพูดให้เราก็ยืนอยู่มันรู้แจ้งเลยว่าท่านพูดแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยเรื่องของเราคืออยู่คณะนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นคําถามไม่ใช่ว่าไม่รีสเปกนะแต่จิตตรงหนึ่งมันก็คิดว่าเอ้เราต้องควรนั่งคุกเข่าลงหรือเปล่าลงพ่อมาใกล้แต่คิดว่า เ, เราคารวะทมแล้วเราอยู่ในปัจจุบันละ กพูดท่านพูดเสร็จของท่านท่านเห็นเราไม่เออไม่นอไม่อะไรละเออท่านก็คงจะพูดในใจเออมึงอยู่ดีละนะมึงนิ่งได้ละตอนนี้ก็ย่าว่าแล้วเนาะท่านก็ไม่ท่านเห็นเราไม่พูดเราก็นั่งเฉมันไม่เกี่ยวหนึ่งคือเรารู้แจ้งแล้วว่าท่านพูดในเรื่องของรวมทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับคณะนี้ปัจจุบันนี้กับเรื่องของเราไม่ใช่เป็นคําถามไม่ใช่เป็นสั่งงานต้องบอกไปทํานู่นไปทํานี่มันจะรู้แจ้งอย่างนี้มันจะเฉยท่านเห็นเรานิ่งท่านก็ไป เราเดินแตกในจิตของเราถ้ามันมีรู้ตัวนี้นะมันจะพิจารณาเพลกเดียวว่าเอ๊ะเราคารุบธรรมหรือเปล่าทําไมเราไม่ต้องนั่งลงเราเคารบุบธรรมจิตตัวรู้นี่มันก็ขึ้นมาแล้วสถานที่เราทําตรงนี้มันก็อยู่ในดินในชายเนาะเราเดินมันจะอะไรไม่ได้แล้วมันก็อยู่ห่างกับท่านอยู่แล้วแต่เราได้ยินทุกคําที่ท่านพูด มันไม่เกี่ยวกับเราแต่ท่านแบบคล้ายๆที่ท่านพูดเรื่องดินทรายเรื่องอะไรละ่ะไม่ได้เพยเทนเส้นทั้งหมดเลยรู้แค่นั้นจบเราก็เดินจมกลมเมื่อวานนี้มาอีกแล้วคิดว่าเออท่านอาจารย์วสันมาบอกให้ไปช่วยสอนเนเนเนาะหรือพระอะไรนี่แหละโอ้ยไม่สมพรอยู่ใส่เห็นท่านเดินผ่านกุฏิมาอยู่ตัวเองก็ฟังอยู่อา้าวท่านเรียกชื่อเราจะเรียกไปไหนเนาะก็เลยมองไปเห็นพระหลายๆเ ห, หลือหลายๆรูป เดี๋ยวท่านกเ็เรียกอีกละเออก็เลยไปอ่าว่าจะเก็บอารมณ์อ้าไม่เป็นไรเราก็ทําหน้าที่ต้องตั้งใจไปนั่งไปพูดไปคุยหลวงพ่อก็เห็นล้เดี๋ยวหลวงพ่อไปเปลี่ยนปุก๊กลับมาแล้วก็รีบเข้ามานั่งเดินจมกลมอะไรของเราทํายบา ย, บายมาอีกแล้วท่านก็อา้าวจิตมันฟุ้งแล้วตอนนี้ไปสอนนี่นจะเป็นยังไงท่านคงจะรู้ละไม่รู้ว่าได้อะไรแหละเห็ดดอกหนึ่งมาเดินจักชักชมาท่านกเห็น ไอ้เราก็เดินถอยหน้าถอยหลังไม่ได้เหลียวท่านหรอกท่านก็บอกว่าเห็ดอันนี้มันเป็นเห็ดกินได้เด้หนี่มันหอมหอมไอ้เราก็ฟังอยู่มันกําลังเดินเนาะบ่ได้งวกไม่ได้ลุกไม่ได้อะไรเลยนะอยู่สูงอีกท่านก็อยู่ต่ำแต่มันก็อยู่ข้างในนิดหนึ่งใกล้ใกลเต้นเราท่ครับมันกินได้นะ่คือสิกินได้บางทรงนี่บางแต่มันหอมเด้หนี่หอมไอ้เราก็จึ้งฟังอยู่มันก็ไม่เกี่ยวกับเราอีกละมันเข้าใจเองอีกเออมันหยุดเออหลังจากนั้นเราก็ท่านพูดแล้วท่านก็ทิ้งเห็ดลงมา ไม่จับเห็ดทั้งเดียวนี้เห็ดนั่นก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่จิตมันถึงขนาดนี้นะมันมันรู้เลยว่าหนึ่งรู้แจ้งว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราท่านไปเอามาเห็นท่านอยากมาสอบอารมณ์เราก็ได้หรือท่านก็พูดเรื่องของเห็ดมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราว่าโอ้แม่สมพรเอาเห็ดตัวนี้ไปล่างเห็ดแกงเดอร์โบนีว่าอย่างสีแมนบอเราก็ได้รู้แล้วจบเดินจะระคังห้าไม่ได้ตีระคังเลยเนาะเมื่อวานีเนาะก็เดินอยู่ก็ตีเหรอ ไม่ได้ตีเลยนะท่านก็เลยห้าโมงกว่าแล้วเขาเลยเดินไปห้องน้ำท่านก็สอบอีกไปห้องน้ำเราก็รู้แล้วเอะท่านจะสอบอะไรท่านก็เราคิดว่าจะไม่ไม่ไม่พูดละเดินไปจะไปห้องน้ำท่านก็เลยบอกว่าสมพรมานี่เออเรารู้เลยว่าเรียกเราจริงๆอะ่ะเออล้วก็เดินมาก็มาคุกเขา เราฟังท่านจะพูดเรื่องอะไรมันจะอยู่ด้วยความีสติมากที่สุดเลยฟังท่านลูกเดียวเมื่อก่อนนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันก็อยากพูดนู่นอยากพูดนี่กับท่านเนาะเวลาท่านเอ่ยอันนั้นเรื่องนี้มาเราก็ได้รู้แล้วกับมันก็ต่อต่อต่อต่อนี่คือความสันสัตยานคือหน้ามือกัหลังมือที่แม่สมพรพูดนี่เรื่องจริงทุกคนจะเป็นยิ่งยังสติตัวนี้ยังไม่เข้มแข็งยิ่งเผลอใหญ่เลย บางทีจะไม่พูดแต่เรื่องคณะนี้มันจะเอาเรื่องอดีตอนาคตเข้ามาปนเปกันทั้งหมดเลยมันเป็นของบันชนีเองเรื่องเรื่องของควมไม่รู้พร้อมนี่นะเออเราจะอยู่กันตั้งหกโมงวันนี้ท่านพูดเราก็ฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้าอาจารย์รัตรไม่อยู่เราจะไปอาบน้ำตอนหกโมงหรือเสร็จการศบอารมณ์ค่ะแค่นั้นท่านก็ยังต่ออีกนะกลัวเราว่าจะมันจะแน่นถึงขนาดไหนวะเนี่ย เออตอนเย็นนี่คุยกับอาจารย์ mm hmm. คุยกับอาจารย์ชา ย, ยันธรรมเนี่ยเดอ้ออยากให้เปิดยูนี่นิชนะมาบอกนม่สมพรก็รู้ก็แค่เป็นคําบอกครับไปห้องน้ํามัมนรักษาควบคุมอารมณ์ได้เลยก็ได้ยินแต่ว่าต้องอยู่จนถึงหกโมงสอบอารมณ์แล้วค่อยไปอาบนา้ําแล้วก็คําบอกว่าตอนเย็นให้คุยกับอาจารย์ชา ย, ยันธรรมเนี่ยเดอ้อจบเรื่องอะไรท่านก็ บ, บอกไม่ได้ฟังแล้วมันก็จบ เดินไปก็โอ้โหเราก็ชีตังมีในใจได้ว่าอืครึ่งมือนี้เราก็ได้เรื่องเว้ยมันเป็นความที่ว่ามันจะเข้าใจในตัวของเราเองว่ามันชนะใจตัวเองได้ว่าทาั้งๆที่เป็นคําสั่งแต่มันไม่ต้องว่าแย้สโนก็ได้รับฟังแล้วก็จบแล้วเป็นคําที่บอกอย่างนี้ก็จบมันอยู่ในความสํารวมในตัวเองของเราเลยเออ มันดีใจตัวเองมากเออเราเพลินแล้วโดยดีใจกลับมาอยู่กับไปเข้าไปกลับมาก็มาเดินจมกลมต่อจนถึงทันตีละครหรือประกาศเนาะท่านประกาศว่าให้ประสอบอารมณ์ทีเดียวเด้อก็จบแล้วก็ค่อยไปอาบนะ้ำโอ้โหมหัศจันมากให้ทันอย่างนี้ได้ทุกครั้ง ดีใจมากนะถ้าสมมุติว่าเราได้พบตัวรู้สึกตัวนี้เออจะพูดเรื่องตัวรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะต้องให้ได้จริงๆเวลาเก็บอารมณ์ปุ๊บอย่างนี้ถ้าความเข้าใจของความรู้สึกตัวนี้มันจะแตกต่างออกมาให้ ร, รู้หรอกจะเดินจะก้าวยกมือเท้าอ้าปากขปิดตาหายใจอ่ะมันจะรู้ทั้งหมดเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแม่สมพรไปรู้อยู่ที่วัดสมนัตหลวงพ่อเอาไปเก็บอารมณ์อยู่ที่นุ่น โอ้โหหลวงตาที่พูดให้ฟังเนี่ยนะนั่งไม่ยกมือไม่เคลื่อนไหวท่านก็จับไม้แล้วท่านก็ด่าเลยแหละหลวงตาเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ย mm hmm. ก็ไปทํำที่ตรงนั้นแหละเข้าใจความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยแหละโอ้โหข้ามวันก็ยังรู้อยู่จะก้าวขาลงมันมีตะแค่ท่านให้นอนนะพอมันเป็นซีเมนแบบอย่างนี้แหละแต่มีตะแค่ขึ้นต่าๆหรอกจะเอาขาลงมาโทษอนุญาตให้ขาเนาะจะลงมาความรู้สึกตัวข้ามวันข้ามคืนเลย โอ้โหมหัศจรรย์ไปจับแปลงสีฟันจะมาผัดมันจะแตกต่างเลยขอให้ได้ทําจริงๆให้ได้สัมผัสตรงนี้เดอ้อตัวนี้แหละที่มันจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราเออมันจะรู้สึกออกมาแตกต่างกว่าที่เราเคยทําอันนี้ที่เคยชินนะนะตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเลยว่าโอ้มันเป็นยังสี่บอสขมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอ้าปากหายใจกระพิบหูกระพิบตาเดินก้าวไหนอ้าวตอนที่เข้าใจใหม่ใหม่นี้ คิดวะเทวดาผู้หลักมกระชับอยู่ในหูเราบอกเราเลยตอนที่เข้าใจรูปนามมันเป็นอย่างนั้นแต่ไอ้นี้มันจะละเอียดกว่านั้นอีกนิดหนึ่งแต่มันมหัศจรรย์มากเลยจะจับอะไรนี่มันจะเป็นความรู้สึกตัวไปทั้งหมดเลยเอตัวนี้ถ้าได้สัมผัสตัวนี้แล้วรีบโทรไปบอกแม่สมพรในเด้อต้องทำจริงๆนะทุกคนต้องได้รับผลของการกระทาของเราทุกอย่าง เพราะศาสนาพุทธนี่เป็นศาสน า, าการกระทำเราจะทําอันใดก็คือเราสวดนี่แหละทําอันใดเราก็ได้รับอันนั้นนี่เรากําลังปลูกพืชผลของตัวสติอยู่สิ่งที่เราจะได้เก็บเกี่ยวก็คือตัวรู้สึกตัวทูวพร้อมหรือตัวสติสัมปัสัญญานี่ได้แน่นอนแต่เราต้องเป็นคนที่มีสัจจะให้ตัวเองหน่อยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยว่าเราจะทําเราก็ต้องทําเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ได้ไอา จะเรียกในภาษาไทยมันมันมันบนนอกเหนือจากการเคลื่อนกับการหยุดใช่ไหมการเดินไปการเดินมาก็เหมือนกันเราทําอยู่ตรงนี้มันอยู่กับการเคลื่อนกายเคลื่อนใจรู้กายเคลื่อนใจรู้บางครั้งมันอาจจะไม่ได้รู้ถ้าเราไม่ได้กําหนดและกําหนดมันใหม่แม่สมพรนี่เดินไปอย่างนี้จะไปเอาน้ําใจมันไปเทิงน้ำแล้วกลับมาใหม่เริ่มต้นมันนะกลับมาใหม่ฉันจะไม่ไปโดยที่ควมเคยชินกลับคืนมาเริ่มต้นใหม่ เดินจมกรมใหม่จะไปเอาน้ามันต้องไปกับกายกับใจมือจะจับก็ต้องใจไปด้วยมันต้องไปด้วยกันถึงอย่างนั้นมันค่อยจะชนะมันนะเพราะมันเคยชินกันมาตั้งแต่เราจาความได้จนถึงวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ที่มนุษย์นี่ทำไม่ได้แต่เราจะทำได้ถ้าเรามีความกำหนดบ่อยๆเพลินละะความเพลนกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัว ลงแล้วกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมันจะเป็นขึ้นหน้ามือกับหลังมือนี่แหละตัวรู้สึกตัวนี่มันพร้อมมันก็จะได้ของเก้าอี้ใบนี้ตัวอวิชชาหรือตัวหลงมันมันเร็วกวา่าเราเราเผลอแล้วมันก็จะได้ของเราก็เผลอแล้วแต่กระโชคดีที่เราได้ฝึกไว้แล้วเราจะได้รู้ไม่ต้องท้อแล้วก็ไม่ต้องแท้ไม่ต้องทิ้งเราต้องกลับขึ้นมาอยู่กับความรู้สึกตัวใหม่เริ่มต้นใหม่มันไม่ชัดเจนเคาะลงไปแรงๆกลับมา บีบมือบีบเท้าบีบอะไรทุกอย่างเวลาเราไปคุยกับเพื่อนบางทีสติเราอย่างนี้มันจะไม่ไหวนี่เอามือเนี่ยดิวโปดิวฉีนี่ยนิกกันเข้าไปมาแล้วสติมันอยู่ตรงนี้แล้วแค่นี้เองอยู่อย่างนี้ก็มาแล้วมันจะได้ระวังหน่อยมันจะได้ควบคุมตัวเองลงมาหน่อยคือมีอันสกิตราวายว่าโอ้เราต้องอยู่กับปัจจุบันนะพูดให้มีขอบเขตนะทาอะไรมีขอบเขตนะ เมันจะไม่ได้เพอ้อเจอนะนะเห็นไหมทําไมท่านจะเอาสินหลายๆข้อนี่มาบังคับไว้มีขนาดว่าไม่พูดโกหกแล้วยังมีไม่พูดเพอ้อเจอะอะไรยังมีอีกหลายๆอย่างก็เพราะว่าตัวสติตัวนี้มันควบคุมยังไม่ได้ถ้ามันยังมันได้เป็นตัวที่รู้พร้อมหรือตัวสติสัมปัญยะมันจะควบคุมได้ยากฉะนั้นเมื่อวานนี้กับเมือ่อก่อนนี้ชนะหลวงพ่อได้หลวงพ่อมาสอบโอ้ยสบายเลยเห็ดใบนั้นยังอยู่ใน ในไออะไรล่ะในศาสตร์เนีน่ยยังตั้งอยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้ไม่ได้ดูเลยรู้แล้วว่าท่านจะมาไม่ไดก็ไม่วีตกเลยเพราะมันอยู่กับปัจจุบัน <laughs> ท่านจะพูดเรื่องอะไรก็ไม่สนเมื่อก่อนนี้ท่านก็มาว่าดินทรายรู้แต่ว่าดินทรายเออมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไกากับเรื่องใจของเราท่านบอกว่าเออยางนู่นอย่างนี้ดินทรายอันนี้มันก็ไม่สนอีกแหละมันก็เดินของเราไปแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ความาลบหลู่นะเคารพ แต่มันจะอยู่ในคณะปัจจุบันนั้นได้ยินมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านไม่ได้บอกเราว่าเออเอายะนางนี่ไปปั่นเด้อเอาผักนี่ไปล้างเด้อท่านไม่ได้บอกคือบอกคุณพี่ไหมคุณพี่ท่านบอกจะตรองได้ไปนะท่านไปแก้ให้คุณพี่ว่าคุณพี่หิวนอนมากและอ่ะไปทําอย่างอื่นซะคือเอาจิตออกจากคณะที่มันง่วงเอาไปทําอย่างอื่นนี่คือการช่วยแล้วก็สอบไม่ไหวจริงๆก็ให้ช่วยไปเห็นไหมมอวานิษณะได้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าเรารู้เข้าไป ลึกๆถึงเป้าหมายของท่านล่ะทั้งเคาะทั้งโขทั้งตีทั้งทุบเห็นไหมหม้อดินบ้านเราสร้างตีหม้อกลัวจะสวยขึ้นมาได้ทั้งเคาะทั้งตีทั้งอะไรทั้งหมดโอ้ยแม่สมพรนี่ถืกเละเลยกลัวจะได้มาเป็นอย่างนี้บางครั้งเนี่ยทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วโบสันเดอร์กุตีนี่เอาไปสันกุตีนั่นหอบทั้งหมดเลยเอาขึ้นไป สันเสร็จแล้วดีนี่ท่านให้ล้างถ้วยล้างจานเองท่านเป็นระเบียบหมดเลยที่นั่นแม่สมพลล่างตั้งแต่สากระเบือยันเรือลบเลยแม่ชีผู้หนึ่งท่านก็หวังดีแม่ชีที่สร้างวัดให้หลวงพ่ออยู่ที่รัศวีกัลหลวงพ่อขอโยมไปล้างถ้วยซอยคุณสมพลหน่อยนะแม่ชีมีหน้าที่ทําอะไรท่านบอกอย่างนี้แล้วนะมันเป็นหน้าที่ของเขานั่นคือหน้าที่ของเขาเจ้ามีหน้าที่ยกมือยกมือจบไม่มีใคร พี่ไปพูดระเด้อหลวงพ่อว่าให้ทําชอยเมซีไปทําหน้าที่เมซีเถอะหนูก็ทําหน้าที่ของหนูหนูก็เจริญสติของหนูมันเป็นอย่างนี้นะท่าเอาจนถึงจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นมันกระสนไอตัวตัวหยาบตัวมึนเนาะคันสีบ่าความลาวเขานาะตัวหยาบตัวมึนตัวสันดาลที่มันเออตัวนาดานหนามึนบานเนาวเามันเป็นยังสั้นอิลีได้ เออมันเป็นอย่างสัน้นถ้าโบเคาะบโตุโบต่ำโบตีโบโตบโบตองมันเนี่นะให้กะหลายครั้งรังเทือเนาะมันก็นยังอ่อนแอเมอร์อเตกีเนี่ยร้องให้เลยนะโอ้โหอยู่บ้านข่อยนี่นะข่อยโบเฮ็ดยังสี่ข่อยก็ได้กินนะรังเทือก็จมได้เนาะโอ้ยเป็นอยังคือมาพี่ลุกแทะอ่ะโอ้ยพันอยากให้เขาขิมเขาแข็งกัจนวาสีหาคนเมฆวหลวงพ อ, อยังแต่พี่วานิสากับเมธสมพลเนี่ยขี่หมดมันขังนี่นี่ ขี่สร้างมันหลอดไปมดเลยจังว่าไปงานใดก็เอื้อยมาซอยเด้อเอากับใบบินมาเลยแหละไดแ้แค่ไหนพี่เขาก็ต้องมามาช่วยก็เห็นคุณค่าว่ามันต้องเกิดให้ได้มันต้องทําให้ได้มันต้องช่วยให้ได้เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่เพราะพี่เขาก็แววตี้หน่อยบอกกระทันหันก็นมากระทันหันเลยตัวเครื่องบินเท่าไหร่พี่เขาก็สบายเพราะแฟนเขาเป็นนักบินเออเขาก็ไปช่วย คนอื่นนี่ยโบมีแล้วแต่ละรัฐเนี่นะจะไปช่วยกันยังยากแหละเพราะว่ามันยังไม่ได้เข้มแข็งเพียงพอถ้าเข้มแข็งแล้วนี่ถึงไหนถึงกันยังแต่ใจก็กิ้งไว้ละเนี่ยขนาดมาเห็นยังไม่ได้จบงามป่าลบกันไว้ก่อนละโอ้ยปีหน้าทานาจารย์วัชรจัดอีกก็ยังดีเนาะคุณเป็ดต้องมาช่วยกันเนอปีหน้านะคุณเป็ดต้องมาเป็นแม่ครัวเองต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้มาเป็นแม่พี่เลี้ยงช่วย เออเขาเอาจริงเอาจังนะเรารู้เลยนะเออพ่อเป็ดนี้เขามีพื้นฐานดีมากแต่ต้องให้ตื่นขึ้นมาให้แค่นั้นเองเขาจะไปได้เร็วมากมีพื้นฐานดีมากแล้วก็มีความอดทนสูงอืมสาธุโมทนากับท่านอาจารย์ที่มีกัลยาณนะมิตรมีลูกศิษย์ลูกหาที่เข้มแข็งไว้ก่อนแล้วพื้นฐานแต่แค่มาปลูกตัวรู้แค่นั้นเองคุณเป็ดจะเป็นผู้หนึ่งใน อาจอเจีอนี่แหละในอารันตาจอจีอันนี่แหละเขามีพื้นฐานดีมากมีคำถามไม่อย่างบโน่การรู้วิธีเรื่องการจะเก็บอารมณ์อยู่บ้านแล้วใดสมองหนึ่งก็เหตุสมองหนึ่งโอเคเจ้าก็เหมือนกันเดอตั้งใจแนะสโลโดาลงุงแน่คุณพี่วานิสาบอกว่าให้ค่อยๆลงหน่อยหนึ่งท่านจะรู้นะกรลยานามิตรเรารู้ว่าจุดบุกพ่องของเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ จริงถ้ายังไม่ได้สติตัวนี้มันก็จะมีอยู่แต่ว่าเราก็ค่อยช่วยเขาไปด้วยคือกําหนดคือแม่สมพรว่าเนี่ยละมันลงไปทําไปแล้วกําหนดใหม่บางทีมันไปด้วยความเคยชินเราจะเดินไปอาบน้ําไปแล้วกลัวจะไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนไปเดิมมันจะไม่ทันอย่างเงี้ยรู้จักปุ๊บแล้วสโลดาวลงโอ้เรารีบละรีบกลับมาใหม่มันบวรีบบวล่อนไปแล้วเพื่อนบวตีละครั้งเราก็ไม่ได้ทานเห็นไหมถึงจุดเจ็ดโมงกว่าแล้วล ะ, ละครั้งยังไม่ตีเราก็ยังไม่ได้ทานเลยทุกอย่างเออ อาหารสัญญาณแล้วว่าอาหารลาลาแล้วแล้วกาฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทุกอย่างก็เราช่วยตัวเราเองอัตหิอั ต, ต, อ ต, ตโนนาโถคือตนเป็นเทพพึ่งของตนพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วฉะนั้นจะพึ่งยังไงละ่ะพึ่งทุกอย่างที่การปฏิบัตินี้ละ่ะถ้าเราไม่ช่วยเขาอยากนอนแล้วก็ไปนอนจริงๆนะใช่ไหมเราอยากกินหิวหรือไม่หิวมันอยากหนีออกจากตรงนี้มันก็ต้องไปจริงๆนั่นแหละแต่ต้องช่วยเขากําหนดรู้อืกลับมาใหม่เริ่มตนใหม่ไปด้วยสติ เนาะทุกอย่างก็คือจะได้ทั้งหมดลเดอ้อโฮมเวิร์กเดอ้อแต่ต้องทำจริงๆเวลากลับไปบ้านต้องทอาอามีคาถามบอโบมีคำถามกันสิจบกันหรือถามส่วนตัวก็ได้หลังจากนี้แม่สมพรยังอยู่ถึงวันที่สิบหกนี่สิบสี่มีอะไรเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเรื่องการแก้ไขอะไรอะไรถ้ายังมีเราเดี๋ยวก็ นั่นแหะเอาไว้กันคุยกันที่หลังเรื่องการรักษาสุขภาพทุกอย่างทุกเรื่องเรื่องหมอเขียวเรื่องหมอขาวหมอดำหมอแดงหมอใจถามแม่สมพรได้โอเคอถ้าดังนั้นก็ขอให้ทุกคนเรามีความเพียรเป็นเลิศเดอ้อก็ขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมทุกผู้ทุกคนทุกรูปทุกนามสาธุ